3. วิปติวาระวาระว่าด้วยเป็นวิบัติ 1. ปาราชิกกันคาถามคาตอบวิบัติในปาราชิกกันปาราชิกศิขาบทที่หนึ่ ง, งาาถามอาบัติเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาวิบัติสอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ ตอบอาบัตเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ2อย่างคือ 1. ศสีละวิบัติ 2. อาจาระวิบัตละเจ็ดเสขียกันคำถามคำตอบวิบัตในเสขียกัน ละเปาทุกวักละสิกขาบทที่สิบห้าถามอาบัตเพราะความไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัย บรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไรตอบอาบัติเพราะความไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ําลายลงในน้ําเป็นปัจจัยบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติวิปติวาระที่สาจบ